บูชาสมาบัติและผลสมาบัติเนี่ยนะการเกิดขึ้นของผลสมาบัติปป ภ, ภกิจก่อนเข้าผลสมาบัติก่อนพโยคีบุคคลก่อนที่จะเข้าพระสมาบัติท่านตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าโล ก, กุตตรธรรมที่ข้าพเจ้าได้บรรลุมาแล้วจงบังเกิดขึ้นและอารมณ์ที่เป็นสังคตธรรมจงดับไปตลอดเวลาระยะกี่ชั่วโมงท่านจะอธิษฐานจิตของท่านอย่างนั้นก่อนกรณีอธิษฐานเนี่ยตรงนั้ น, นจะต้องเป็น กุลจิตหรือมหากริยาเจตนาจิตเนี่ยนที่เกิดขึ้นเน่ยนะคือความจงใจและความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นนะอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะพระสมาปฏิวิปัสนาวิปัสนาที่เกิดขึ้นโดยการเจตนาจงใจในการที่จะเข้าพระสมาบัตดเป็นเวลาเท่าไหร่ท่านต้องฝึกฝนไหมต้องฝึกฝนวิธีการก็คือว่าเริ่มในการเจริญวิปัสนาตามหลักสติปัฏฐานนั่นแหละ โดยการกําหนดตั้งแต่อุทยพยาญานาทีนวายานนิพิทายานมุลจิตูกรรมยะตายานปฏิสังขายานสังขารุเปขขายานอนุโรมายานถามว่าในขณะนั้นท่านตรึกพิจารณาอะไรบอกพิจารณานามรูปโดยความเป็นไตรลักษ์ใช่ไหมโดยความเป็นพระไตรลักษ์ถามว่าพิจารณานามรูปโดยความว่าเป็นพระไตรลักษ์โดยการปราลารบที่จะให้มกักขวิถีเบื้องวนเกิดใช่ไหมบอกไม่ใช่ต้องดูด้วยนะ เพราะอันนี้เป็นพระสมาปัติวิปัสนาเป็นวิปัสนาคือเจตนามุ่งมั่นในการที่จะทำพระสมมาบัตให้เกิดขึ้นทำไมจึงเรียกว่าสมมาบัตเพราะเป็นการเข้าอยู่ในผลเป็นการเข้าอยู่ใช่การเข้าอยู่เข้าอยู่ในรบอกเข้าอยู่ในพระสมาบัตคือเข้าไปอยู่ในผลแจิตและให้ผลแจิตเกิดกับข้าพเจ้า ตามตามกําหนดที่อธิษฐานไว้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงว่ากันไปตามตามความประสงค์นี่เป็นอย่างนี้เพราะจริงๆถ้าหากเป็นพระโสดาบันท่าเจริญวิปัสนาอย่างนั้นเน่ยจะเจริญเพื่อวัตถุประสงค์ทําให้สกอาทาคามากเกิดก็ได้ใช่ไหมแต่ น, นี้ท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านทําเพื่อจะเข้าพระสมาบัติเห็นไหมหรือหรือท่านไม่ได้มีนิโรธสมาปฏิวิปัสสนานี่ ท่านยังแยกไว้สามอย่างสังขาราปะริขหากะวิปัสสนาวิปัสสนาที่ไปกําหนดรอบรู้สังขารโดยความเป็นไตรลักษ์เพื่อจะทํามรรคให้เกิดขึ้นมากคเบื้องสูงให้เกิดขึ้นนี่หมายถึงพระโสดาบันนะท่าสมาเออท่าพระสมาปฏิวิปัสสนานี้วิปัสสนาที่จะทําให้ผลและสมาบัติเกิดขึ้นและก็ไม่ใช่นิโรธสมาปฏิวิปัสสนาถ้านิโรธาสมาปฏิวิปัสสนา น, นั้นเป็นวิปัสสนาที่จะไปดับ จะเข้านิโรธาสมาบัติจะไปดับจิตดับเจตสิกแล้วก็ดับจิตตชรูปนีคนละสายกันแล้ววิปัสสนาคนละสายกันแล้วฉะนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ที่เจตนาความจงใจของท่านผู้ที่จะเข้าใช่ไหมว่าท่านจะทำอะไรท่านจะทำมากเบื้องสูงหรือจะเข้าพระสมาบัติที่ท่านได้หรือถ้าท่านมีคุณสมบัติพอในการที่จะเข้านิโรธสมาบัติท่านก็พิจารณา ูที่ได้ยาเลย้ทเป็นยก็มีเตนาที่จะรสมาบัติเกิดเนี่ยก็มกกกกยกไม่จเ็ที่ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้นา า, า, าบุคคลปกติที่ไม่เคยจเจริญขานเลยเออรูอปริญาจรงทั้งได้โสดาปมากแล้วคือมาฝึกสมาบัติคือคือตรงนี้ก็ต้องไปดูอย่างนี้ด้วยใช่ไหม ก็ต้องไปดูว่าอคือจริงๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไอท่านไม่ได้กล่าวถึงตรงนั้นนะฮะในในหลักตรงเนี้ยยังไม่ได้กล่าวถึงทีนี้ถ้าถามเหตุผลการวิเคราะห์เนี่ยเหมื่อบางทีเนี่ยเรื่องวิเคราะห์อาริยผลเนี่ยต้องเข้าใจครับว่าเดี๋ยวก็จะไปติงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยต้อง ท่านบอกว่าเออ่มันมันเป็นอย่างนี้ทีนี้บุคคลที่จะเข้าพระรสมาบัติได้จะต้องเป็นภาายญาบุคคลแน่นอนและต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็ต้องได้ทีนี้บางท่านเข้าไม่ได้เพราะอินทรีย์ห้าหย่อนไปเช่นสมาธิอินทรีย์เนี่ยก็ต้องเจริญวิปัสสนาต่อไปเพื่อให้ความแน่นอนน่ะเกิดขึ้นใช่ไหม สมาธิ น, สนีสมาธินีก็สมาสมาสมาธิที่เนินน า, ามเกี่ยวกับเนี่ยทางีทีนี้ค<ะ>าว่าสมาธินเนี่ยไม่รู้ท่านเอาแค่ไหนเพราะว่าสม า, สมาใช่ไหคว่าสมาธินียกตัวอย่างเช่นฌานสีเนี่ย<ะ>ถ้าฌานสีเนี่ยก็ต้องอภิฐมว่าฌานทุติยฌานเป็นต้นไงแล้วก็ที่จริงน่ยโลกุตระเนี่ย ก, ก็เป็นฌานอยู่แล้ว เป็นฌานอยู่แล้วเป็นอวบนาอยู่แล้วเป็นฌานนจิตอยู่แล้วทีท<ป>ทนี้นั่นแหละท่านกล่าวว่าอย่างงั้นทีนี้กําหนดการเข้านั้นไม่เกินยี่สบสี่ยี่บสี่ชั่วโมงท่านในวิปัสสนาทีเบนีท่านกล่าวว่าอย่างงั้นในโสดาปฏิผลสมาบัติวิถีห้าประเภทมีปฐมเป็นต้นเนี่ยนะมันก็มีใช่ไหมก็มีปฐมปฐมฌานโสดาปฏิผลทุติยฌานโสดาปฏิผลสกะ โสดาปฏิผลใช่ไหมตติยาชาโสดาสตุทชานโสดาปัญจมาชาโสดาปฏิผลเขเลยก็กล่าวไว้อย่างนั้นเพราะในจุลตรีก็กล่าวอย่างนั้น น, น, น, นี่มันก็ต้องเชื่อมโยงหลักฐานมาแล้วก็มาอ้างยิงกันแต่ในมรรคเวถีเนี่ยถ้าดูในมรรคเวถีผลลชาวนะเนี่ยก็มีแต่ไม่เรียกผลสมาบัติเพราะไม่มีบริกรรมไม่มีบริกรรม คือไม่มีอนุโลมไม่มีเจตนาเพราะตรงนั้นไม่เรียกพระราสมาปัฏิวิปัสนาเนะีเพราะวิปัสนาก่อนหน้ามากเป็นสังขาราบปริฆาตการ ว, วิปัสนาวิปสนาพิจรณาสังขารวพื่อจะทำมากให้เกิดทีนี้พภะเดีบุคคลที่จะเข้าผลสมาบัตินั้นต้องเริ่มกําหนดตั้งแต่อุทยาพยากรณเป็นต้นไปท่านอ้างในวิสุทธิมรต้องการพิจารณาของความแตกดับของนามรูปความเกิดดับของนามรูป อ, อุทยาพยากณนี่ยนะนะ ปัญญาที่ไปเห็นความเกิดและความดับของนามรูปถ้าอาทีนวายานก็คือไปพิจารณาเห็นโทษนิพิทายานก็คือเบื่อนหน่ายในนามรูปมุนจิตุกรรมยาตาญาณปฏิสังขารญาณสังขารุปเปกขาญาณก็เริ่มวางเฉยในนามรูปเงี้ยนหะแล้วก็อนุโลมมายานอันนี้ก็คืออนุโลมเพื่อจะให้ผลสมาบัติเกิดขึ้นเป็นต้นเนะนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ การเข้าผลสมาบัติท่านยังบอกเริ่มตั้งแต่อุทยาพยาญาณทีนี้คําว่าสมาบัติเนี่ยนะคําว่าสมาบัติการเข้าอยู่เป็นต้นเนี่ยเนี่ยที่ถามว่าถ้าออกจากผลสมาบัติเป็นต้นจิตก็ลงพวังใช่ไหมจิตก็ลงพวังการเจริญกรรมฐานจนสามารถทำให้ผลสมาบัติเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเนย ใครจะเป็นติเหตุกาบุคคลหรือไม่อยู่นั้นต้องต้องไปปฏิบัติกรรมฐานแต่ฐานตรงนี้ก็อีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ในการเข้าพารสมาบัติเนี่ยท่านดูอุทยาพยายะเป็นต้นไปท่านท่านให้ดูตรงนั้นทีนี้ดูตรงนี้พอหลังจากกําหนดพิจารณาอย่างนั้นแล้วในการเกิดขึ้นของผลสมาบัติของมันท่าหรือติกขาดเนี่ยก็ดูตามวิถีเขา ก็ตั้งจิตอธิฐานว่าโลกุตละธรรมที่ข้าพเจ้าได้นะั้นจงมันเกิดขึ้นใช่ไหมอารมณ์ที่เป็นสังกัฏธรรมจงดับไปเป็นเวลาเท่าไรท่านก็ตั้งเจตนาท่านอย่างนั้นแล้วท่านก็เริ่มปฏิบัติกําหนดนามรูปความเกิดดับทั้งนามรูปเป็นต้นจนถึงผวังผวังก็เจรนาะผวังคู่ประเชษธาดับลงต่อจากนั้นก็เป็นมโนทวารโลชนะมโนทวารโลชนะเป็นต้นเนี่ยรับรูปหรือนนามแล้วก็ดับลงในลําดับนั้นมหากุาศลญาณสมยุทธ หรือถ้าเป็นผ้าอาถารร์ก็เป็นมหมายกริยาญาณสัมปยศใช่ไหมอย่างละสี่สี่ขณะหรือสามขณะที่ไปทําหน้าที่อนุโลมเนี่ยนะในขณะนั้นพิจารณาเอาไตรลักษณ์นั่นแหละเป็นอารมณ์ทีนี้ในในลักษณะของฌานสมาบัตเกิดขึ้นเนี่ยนะพอฌานสมาบัตเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยฌนะานจะฌานสมาบัติและผลสมาบัตทั้งสองนี้เป็นเป็นสมาบัตเหมือนกันไหม คำว่าฌานสมาบัติกับผลสมาบัตินี่เป็นสมาบัติเหมือนกันไหมแต่ต่างกันไหมสมาบัตินี้ไม่มีชื่อตามลําดับมีแต่คําว่าอนุโลมนะถ้าผลสมาบัติหนึ่งแต่ถ้าฌานสมาบัติมีคําว่าปริกรามุปจาระอนุโลมโคตรภูใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าปริกผลสมาบัตินี้ไม่มีปริกรามุปจาระอนุโลมโคตรภูตามลําดับถามที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไร ท่านในหลักสูตรท่านให้เหตุผลท่านบอกว่าการเกิดขึ้นของฌานจิตและผลลจิตนั้นไม่เหมือนกันฌานจิตที่เกิดขึ้นได้ฌานครั้งแรกกับฌานจิตที่เกิดขึ้นขณะเข้าฌานสมาบัติกามชาวนะก่าอมนาชาวนะในวิถีเดียวกันนั้นจะต้องเป็นจิตชาติเดียวกันมองไหมถ้าในฌานสมาบัติเนี่ยตัวตัวกามชาวนะติเหตุการชาวนาที่เกิดหน้า ที่ทําหน้าที่บริกรรมอุปจาระอนุโลมอ่ะโคตรภูนั้นจะต้องเป็นกุศลชาติไอตัวฌานนจิตที่เกิดต่อก็จะต้องเป็นกุศลชาติถ้าหากที่อยู่หน้าที่ทําหน้าที่บริกรรอุปจาระอนุโลมโคตรภูเป็นกิริยาชาติตัวฌานนจิตที่เกิดต่อก็จะต้องเป็นกิริยาชาติแต่ถ้านในผลสมาบัติไอตัวฌานนจิตเออขอโทษที ตัวจิตที่มาทํมาที่อนุโลมอนุโลมอนุโลมสี่ขนาดหรือสามขนาดแล้วแต่บุคคลเนี่ยเป็นกุศลชาติหรือเป็นกิริยาชาติไมแต่ตัวตัวตัวฌานที่เกิดต่อสมาบัติที่เกิดต่อจะต้องเป็นจะต้องเป็นวิปากชาตินี่คือจุดต่างที่ท่านชี้เห็นโอ้นี่มีจุดต่างว่างั้นมองเห็นไหม นั้นถ้าชานสมาบัตินั้นจะต้องกุศลชาติเป็นปัจจัยเกิดกุศลชาติกิริยาชาติจะเป็นปัจจัยแก่กิริยาชาติแต่ถ้าในผลสมาบัติกุศลชาติเป็นปัจจัยกับวิปากชาติกิริยาชาติก็เป็นปัจจัยกับวิปากชาติคือจุดต่างกันตรงนี้ท่านก็เชียเห็นอันเชี่เห็นยางไงทีนี้ถ้าพูดถึงบอกว่าในหลักอย่างเนี้ย ในหลักการเข้าพระละสมาบทเนี่ยถ้าถามบอกว่าเอ้เราจะเอาเอาเอาเอาเอายุติยังไงโดยมากเนี่ยท่านไม่มองกันตรงนั้นเลยท่านมองเพียงบอกว่าได้มรักหรือยังเออได้มรักอะไรถ้าได้มรักอันนั้นก็เขา้าฝึกเข้าโพธิอันนั้นไปท่านมองแค่ตรงนั้นอท่านไม่มองมองแต่อยู่ที่การฝึกและอยู่ที่อินทรีย์ท่านเน้นอินทรีย์เลย แต่ท่นี้บอกว่าถ้าพรที่ท่นนี้เ็มีข้อเว้นหน่อยนึงนะว่าแต่ผู้ที่ไม่ได้ทานหรือคืออย่างน้อยมันจะต้องได้พรสมบัติทานก่อนนะไม่างนั้นจะเข้าสมาบัติไม่ได้จะเข้าพระสมาบัติไม่ได้ท่านพูดแค่ยินรีย์ตรงนี้ที่หลักาน่ทนีพอพูดถึงว่าเข้าฌาสมาบัติอย่างน้อยต้องปฏิบัติก่อนนะถึงจะเข้าพระสมาบัติได้พอเมื่อกี้พระอาจารย์โยมมาผู้ที่มี สมาธิสิสีไม่แก่ก้าใช่สมาธิสสนีมาธิีไม่แก่ก้าถ้าสมาธิสไม่สมาธิ่เนี่ยถ้าแก่ก้าจนถึงปฐมฌานถึงจะได้สมาพระสม า, าบัตได้ค่ะถ้ตรงนั้นที่เราไหวแต่ก็เลยว่าตรงเนี้่ยสมาธินีที่แก่ก้าเนี่ยแก่ก้าจนถึงเป็นปฐมปฐมฌาหรือเปล่าคือคือตรงนั้นเน่ยก็เพียงสมาธิสิีต้องเจริญ ก็แปลว่าถ้าย่อนไม่ได้ย่อนไม่ได้คือถ้าในกลุ่มของสมาไอตรงนี้ก็ไม่ซะเอาอย่างนี้ถ้าสมาทินรีย์ถ้าเป็นปริตฐสมถะเนี่ยใช่ไหมถามว่าได้ไหมเนี่ยก็ก็ยังไม่หาด้วยเยอหลักฐานหรือจะต้องถึงขั้นมหาคตาสมถะตรงนี้ถึงบอกว่าก็ก็ก็ดูใช่ไหมพรอบอกเพร่งว่าถึงอินทรีย์เนี่ยฌานก็เรียกอินทรีย์นะ ความแก่กล้าของเขาจริงๆของท่านจริงๆใน่้นหมายอย่างนั้นเนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเอติดติ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด อ, อยู่เนี่ยคือประโยนีนั้นว่าบุคนเนี่ยถ้าไม่ได้คืออย่างน้อยต้องได้ประระยางตามนีจ้จ้ะแต่แต่ตรงนี้ท่านไม่ได้พูดชัดลงไปงไงไม่ยัง <laughs> เดี๋ยวก็ต้องดูหลักฐานต่อไปนี่ค่อยๆ ค, ค้นๆต่อไป ตรงนี้จริงๆก็คือก็มีกลุ่มอะไรตรงนี้ก็แต่ถ้าหากว่าพิจารณาตรงนี้เราก็เออมันก็เป็นเป็นแนวที่เราก็ให้ให้ทัศนาเขาใช่ไหมว่าตรงนั้นเป็นยังไงแต่คงจะต้องมีหลักฐานที่มากไปกว่า น, นี้แต่ยังไม่เจออะไรเงี้ยเราก็ตวาดตามหลักฐานว่าทำไปตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นหนักอะไร แต่จริงๆถ้าชา น, นสมาบัตินี่เป็นโลกิยะแต่ถ้าพระสมาบัตินี่เป็นโลกุ ต, ะตรนนะการาา น, นิพพานน่ะชานสมาบัติมีบัญญัติมีมหาคติเป็นอารมณ์ถ้าหาก็พระสมาบัติก็มีนิพพานเป็นอารมณ์มันก็มีจุดต่างกันเยอะ คือปัญหาอยู่ตรงนั้นถ้านิโรธสมาบัติเรายังไม่เรียนอยพิ่งวิ่ฉายเพราะจริงๆถ้าไปเรียนนิโรธสมาบัติเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจอีกนิดนทําไมถึงเข้าใจว่าโอา้โหการจะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องมีสมถะภาระและวิปัสสนาภาระนี่สมดุลกันจริงๆเออถ้าไม่มีตัวสมถะภาระเป็นตัวหนุนวิปัสสนา พระนี่กำลังของวิปัสนาที่สมดุลกันเป็นยุยุพลธรรมเนี่ยเข้าไม่ได้เลยไงเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้โหต้องฝึกฝ น, นเป็นอย่างดีใช้ความเพียรเป็นอย่างดีวิปัสนามากเกินไปก็เป็นพระสมาบัติใช่ไหมชานสมาบัติมากไปก็กลายเป็นเออถ้าหากสมาบัติมากเกินไปก็จะเป็นลงชานนะสมาบัติไปมัมมนทำเจตนาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ดับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ ที่จะทำให้ดับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยวันนี้คนนี้เลยเวลามาเยอเือนเอาในวันนี้นะเดี๋ยวเข้าผลลยานหรือว่าตั้งแต่โสดาปฏิผลลยานเนี่ ย, นยในลำดับจากปฐมมรรคก็คือในโสดาปฏิมรรคเนยถ้าโสดาปฏิมรรคจิตดับลงแล้วเนี่ยผลจิตที่เป็นวิบากของมรรคจิตก็ได้แก่โสดาปฏิผลจิต หรือโสดาปฏิพลและยานเกิดขึ้นกี่ขณะสองขณะหรือสามขณะแล้วแต่บุคคลใช่ไหมเอาลองไปดูในมัคควิถีนี่ในโสดาปฏิมัคคุเทศก์วิถีผลที่เกิดขึ้นสองขณะหรือสามขณะนั้นบ่งบอกว่าเป็นของติดขะหรือของมันทะใช่ไหมใช่มคัคคิจที่เป็นอันตรสมาธิคือมัคคสมาธิซึ่งให้ผลเกิดขึ้นทันทีนะอย่างนั้นเขาเรียกว่ามัคคานิยตราผลนะ ผลที่เกิดขึ้นในลานดับแห่งมรคผลที่เกิดขึ้นในลานดับแห่งมรคแต่ถ้าวิเคราะห์ตรงนี้นะท่านใช้คำว่าอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไอ้ผลและจิตที่เกิดขึ้นหนึ่งสองสาหรือสี่ขณะเนี่ยคำกล่าวของอาจารย์ที่ว่าเกิดขึ้นสองถึงสขนขณะนั้นไม่ควรถือเอาเพราะอะไรโคตรภูยานย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่งอาเซวนะปัจจัยของนรมม ก็หมายความว่าเมื่อเป็นปริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยโคตรภูต้องเกิดโดยกําหนดต่ําที่สุดก็คือว่าอนุโลมต้องเกิดสองขณะอุปจาระอนุโลมอะเพราะขนาดเดียวกันย่อมไม่ได้อาเสวนะปัจจัยและในอวชนะจิตของวิถีหนึ่งๆย่อมมีชาวนะจิต7จ็ดขณะเป็นอย่างมากถ้ายานใดมีอนุโลมสองสองขณะนะชาวนะที่สามของยานนั้นก็เป็นโคตรภู เนี่ยนถ้าสมมุติเป็นนับว่าอนุโลมมีสองขนาดเนี่ยที่จริงก็คืออุปจาระอนุโลมอะอุปจาระอนุโลมอะยานใดเมียนุโลมสามขนาดแหละปริกรรมอุปจาระอนุโลมเชานะขนาดที่สี่ของยานนั้นก็เป็นโคตรภูเหมือนกันนี่เข้าใจใช่ไหมตรงเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจนะเชานะขนาดที่ห้าเป็นมรคจิตแล้วก็ชานะอีกสองขนาดเป็นผลจิตรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นเจด ฉะนั้นใครไปบอกว่าผ ล, ลจิตเนี่ยไปเกิดสามขณะเออขอโทษทีสี่ขณะไอ้ไ ห, ไหมถ้าหาว่าเกิดสองขณะมีสามขณะมีไหมมีมคือบวกเบ็ดเสร็จก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนิสีแล้วนะชาวนาได้ไปสี่แล้วนะมรคชาวนาอีกหนึ่งเป็นห้าผลชาวนาต่ออีกสองขณะเป็นเจ็ดพอดีอันนี้หมายถึงของ มันทาบุคคลแต่ถ้าของติดคาบุคคลปริกรรมไม่มีมีอุปมีอุปจาระใช่ไหมมีอุปจาระอนุโลมโคตรภูดได้สามเฉพาะกามาชานะมรคเชานะอีกเป็นสี่ผลชานะจะเกิดอย่างมา ก, กคือสามคณะคือให้ได้เจ็ดนะจริงๆกลุ่มนี้จึงได้เจ็ดคืออย่างนี้เ้าเรียกชานะาที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะเหตุนั้นท่านพุทธโคศาจารย์จึงกล่าวไว้บอกว่า ผลและจิตสองหรือสาขณะย่อมเกิดขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าที่พระพุทธโคศาจารย์ท่านเขียนไว้ในวิวิสุทธิมาร์นะท่านเขียนไว้อย่างนี้โดยเหตุผลนี้คือชาวนาต้องเจ็ส่วนยานใดมีอนุโรมสี่ขณะชาวนะขณะที่ห้าของยานนั้นเป็นโคตรภูชาวนาดวงที่6เป็นมาร์กชาวนาอีกหนึ่งขณะเป็นผลรวมเป็นเจดเช่นเดียวกันนั้นคํานั้นไม่ควรเชื่อถือ คำนั้นก็เชื่อถือไม่ได้เหมือนกันแต่ไปบอกว่าอย่างเงี้ยต้องวิเคราะห์ อ, อย่างเงี้ยเนะโดยความเป็นสาระเพราะค้านได้ว่าชาณะขนาดที่สี่หรือที่ห้าย่อมเป็นอ ป, ปนาชาณะคือมัรคยานไม่มากยิ่งไปกว่านั้นเพราะใกล้กันกับพวังในขณะนั้นมันใกล้ไรยอมฤติใกล้พวังใช่มอันหนึ่งผลชาณะทั้งสี่ดวงนั้นเป็นอาศนะปัจจัยและเป็นอาศนะปัจจุบันไม่ได้ ด้วยหลักการเนี่ยก็เป็นอาศัยวนะปัจจัยไม่ได้เป็นอาศวัน์ปัจจยุบันไม่ได้เพราะในปัจฐานแสดงว่าธรรมที่จะเป็นอาศัยวนะปัจจัยนั้นชาวนะจิตนั้นต้องเป็นชาติเดียวกันเช่นพอมรคชาวนะนี่เป็นกุศลระชาติฉะนั้นถ้าหากในกลุ่มของกุศลกลุ่มของโลภะกุศลก็เป็นกุศลรชาติอย่างนี้เขาก็อาศัยวนะได้ฉะนั้นมรคชาวนะเป็นปัจจัยกับผลเนี่ย อาเสวนะคนละชาติ a, ไม่ได้ไม ah, ่ได้อาเซวนะนี S. <S ่เป็นอย่างนี้เพราะอยู่คนละชาติกุศลเชวนะเป็นปัจจัยแก่กุศลเชวนะอกุศลเชวนะเป็นปัจจัยแก่อกุศลชลนะกิริยาเชวนะเป็นปัจจัยแก่กิริยาชวนะอย่างนี้ได้อาเซวนะปัจจัยถ้าผลเชวนะไม่เป็นด้วยอำนาจอาเสวนะปัจจัยต้องอยู่ชาติเดียวกันแต่เมื่อว่าโดยภูมิแล้วเป็นจิตต่างภูมิกันได้เช่น ตีเหตุกาการกุศลชาวนะเป็นกามาภูมิใช่ไหมเป็นอาศัยวนะปัจจัยกับมหาคตาชาวนะคือรูปภูมิมารูปภูมิหรือเป็นอาศัยวนาะปัจจัยแก่โลกุต ร, ร, ร, ระกุศลชาวนะอย่างนี้ได้คือโลกุตระภูมิด้วยเหตุนั้นเนี่ยผลชาวนะสองหรือสามขนาดที่อยู่ในมครคนั้นจึงเป็นอาศัยวนะปัจจัยและเป็นอาศัยวนะปัจจุบันไม่ได้เป็นอาศัยวนะปัจจัยก็ไม่ได้เป็นอาศัยวนะปัจจิบุบันก็ได้ เพราะไม่ใช่เป็นจิตชาติเดียวกันกันกบกุศลชาติทีนี้ปัญหาคือว่าพระเรียบบุคคลเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระเรียบบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะท่านยังเป็นผู้ประมาทอยู่ไหมต้องเร่ร่อนต้องเที่ยวในมนุษย์ในโลกและในในใ น, ในโลกอีกตั้งเจ็ดครั้งนะ แล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้การที่จะประหารกิเลสตัณหาอันมีฤทธิ์ร้ายแรงได้ก็คือการบำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อให้ได้บรโลโลกุณละภูมินี้ที่สูงขึ้นไปจึงจะสามารถจึงจะสามารถที่จะฉะนั้นอย่างถ้าหากว่าพระโสดาบันเนี่ยนะทั้งโสดาบันเนี่ยท่านจัดไว้สามประเภทกลุ่มหนึ่งท่านเรียกว่าเอกภพชีโสดาบันี่ไม ถ้ากลุ่มพวกนี้ก็หมายความว่าพระโสดาบันที่ปฏิสนธิต่อไปข้างหน้าอีกชาติเดียวก็จะได้บรรลุเป็นพระารานแล้วก็จักปริญพานี่ฉะนั้นพระอรหันต์บุคคลประเภทนี้เรียกว่าเอกับพีชีบุคคลโสดาบันเนี่ยอย่างนี้กลุ่มที่พระโสดาบันสร้างบารมีแ ก, ะกะ่ก้าปัญญาบารมีเจริญสมถะภาวนาม่น้อยเท่านั้กลุ่มพวกนี้ปัญญาแรงปัญญาแรงกว่าสมาธิหน่อย ถ้าหากกลุ่มโกราลังโกราโสดาบันนี้กลุ่มเหล่านี้ปฏิสนธิตั้งแต่สองชาติถึงหกชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะบรรลุนิพพานนี่คือโกราลังโกราโสดาบันนะได้แก่พระโสดาบันที่สร้างบารมีมาพอปานกลางนั่นแหละส่วนอีกประเภทหนึ่งสตักขตุปรมาโสดาบันนี่คือพระโสดาบันที่ปฏิสนธิในมนุษย์ภูมิแล้วเทภูมิอีกเจ็ดชาติก็จะบรรลุเป็น าาระหัสปรินิพานพระโสดาบันประเภทนี้สร้างบารมีมาอ่อนสร้างมาบารมีมาอ่อนแต่ถ้ายังดูอย่างเราๆทั้งหลายก็ต้องบอกว่าค่อยอ่อนก็ได้ค่อยก็อเอาใช่ไหม <c oughs> พวกนี้เกิดเจ็ดชาติทีนี้ถ้าสกาทาคามีผลละ่ะดูสกาทาคามีผลเนยะถ้าสกาทาคามีมรรคดับลงสกาทาคามีผลและจิต หรือสกาธาคามีผลแยานที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขึ้นขั้นเนี่ยเกิดทันทีไหมทันทีเหมือนกันการบังเกิดขึ้นของสกาธาคามีผลแยานทําให้เป็นผ้าเรียบุคคลนะเรียกว่าสพาสกาธาคามีเนี่ยทำไมจึงเรียกพระสกาธาคาซึ่งท่านจะกลับมาถือปฏิสนธิในโลกอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสามารถที่ทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าจะมามาครั้งเดียวท่านึงเรียกว่าสกาธาคาบุคคลที่บรรลุ พระโสดาบันสกาทาคามีมรักเป็นต้นแล้วก็เป็นผลแล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นพระสกาทาคามีคนเนี่ยทํากิเลสประเภทไหนทําราคาโทษาใช่ไหมครั้งเมื่อวานใช้คําบอกว่าทุติยามรักเน่ะทําการมราคาปฏิฆะที่ยังหยาบฆ่ายัางหยาบได้อืมนี่เป็นนี้และและท่านยังแยกพระสกาทาคามีออกอีกนะ ท่านแยกออกยังไงรู้ไหมโดยบอกว่าพระสะกอาทาคามีบางจําพวกเนี่ยสำเร็จพระสะกอาทาคามีในโลกมนุษย์เนี่ยก็ไปบังเกิดเป็นเทพเจ้าในเทวโลกเป็นเทวดานี่ยแหละเมื่อจุดติจากเทวโลกก็กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุอรหัตหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ในในมนุษย์โลกและนิพพานเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มนี้ก็มี หรือกลุ่มที่สองก็คือพระสกัดทาคามีสําเร็จเป็นพระสกัดทาคามีในมนุษย์โลกนี้แล้วก็กระทำความเพียรเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นต้นไปเนียไม่หยุดจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระหลังหันดับขันพระริพานในโลกเนี้ยอันนี้กลุ่มนี้ก็มีเห็นไหมพระสกัดทาคามีเนี่ยได้ในภพนี้แล้วก็เพียรทําเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าบางจำพวกก็เป็นพระสกัทาคามีในโลกมนุษย์แล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลก ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็บรุในเทวโลกนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพระสกาทาคามีเนี่ยนะอยู่ในเทวโลกแล้วก็ได้บุรุเป็นพระอรหันต์ดับขันธนะ์นเทวโลกนะั้นอันนี้กลุ่มนี้ก็มีนะไม่มาเลยเงี้ยก็มีส่วนกลุ่มที่5คือว่าเป็นเป็นเทวดานั่นแหละสําเร็จเป็นพระสกาทาคามีนะเทวดาจุติมาบังเกิดในมนุษย์โลกแล้วก็ได้ไปบุรุอรัฐผลดับ ในมนุษย์โลกนี่เองนี่คือไปพื้นฐานเดิมอะบรรลุที่นู่นกลับมาที่โลกมนุษย์นี้อีกก็มีนี่นี่นี่คือกลุ่มของผ้านาคาเออผ้ออาสกาธาส่วนผ้านาคาเนี่ยนะอานาคามีมรดดับลงอนาคามีผลลยานก็เกิดขึ้นนั่นนะไม่มีระหว่างขั้นเช่นเดียวกันเป็นพผ้านาคามีพิจารณามรดผลนิพพานและกิเลสของพผ้านาคามีด้วยปัจเจเวขณะเหมือนเหมือนกับที่ที่จะมีลักษณะอย่างนั้น ท่านก็นยังมาแยกผ้านาคามีผ้านาคาเนีละกิเลสอะไรได้ใช่ละโทสะได้ละกามราคะได้โทสะที่เป็นมีไว้เป็นห้าจำพวกผ้านาคามีบําเพ็ญวิปัสสนาได้ตัติยามากไปบังเกิดใ น, ในขณะที่ทําเจริญวิปัสสนาอยู่นั้นนะ่มีสัตว์ทินทีแก่ก้าพวกนี้จะไปในชั้นอวิหาเห็นไหมถ้าสัตว์ทินทีศรัทธาแก่ก้าเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้บรรลุเนะ ไปปฏิปฏิสนธิใหม่ก็คืออยู่ในชั้นอวิหาถ้าขนาดที่เจริญสมถาวิปัสนาปรากฏว่าวิริยินทรีย์แก่ก้าเนี่ยแก่ก้ากว่าอินซีหนเนี่ยนะผ้านาคาเภศนี้เมื่อจุติก็ไปถือปฏิสนธิในอัตตาภูมิในอัตตาภูมิถ้าในขนาดเจริญสมถาวิปัสนานั้นสตินรียในแก่ก้ากว่าอินทรีอื่นๆกลุ่มผ้านาคาประเภทนี้จุติแล้วก็ไปปฏิสนธิในสุทธัสสาภูมิถ้าใน ขณะที่จเจริญสมถาวิปัสนาอยู่นสมาธินทรีย์แก่ก้าใช่ไหมผ่านาคากว่าอินทรีย์อื่นพ่านาคาปราะเภทนี้ก็ไปอยู่ในชั้นสุทธสีภูมิส่วนในขณะที่จเจริญวิปัสนาปรากฏว่ามีปัญญาหรือปัญญินรีย์แก่ก้ากว่าอินทรียอื่นกลุ่มเหล่านี้เมื่อจุติไปถือปฏิสนธิในสุทธาว่าก็ไปอยู่ในอากติฐาภูมิอันนี้ไปตามอินทรีย์เห็นไหมผ่านาคาจะไปตามอินทรีย์ของตนเอง กลุ่มไหนอินทรีย์ไหนเด่นทีนี้ท่านยังแยกเป็นอันตรายปริิญพายีอุปาหัจารปริิญญายีศา ส, ส, สังขาราปริิญพายีอาสังขาราปริิญญายีและอุทางโสโ ต, โตอคณิตะคามีเนี่ยแยกเป็นห้าประเภทประเภทแรกก็คือว่าพผ้านาคาที่เกิดในสุทาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเนี่ยนะได้สําเร็จเป็นผ้าละหารและปริิญพา น, นในอายุครึ่งแรกคือในระหว่างท่ามกลางแห่งอายุนั้นกลุ่มหนึ่งนะสุทาวาสภูมิ คือของของภูมิที่ย์ตนเองไปเกิดอยู่นั้นนะพอไปอยู่ในระหว่างท่ามกลางของอายุคือครึ่งหนึ่งของอายุปริณีผพานเลยนี่นี่พระนาคาประเภทนี้ก็มีส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เภทอุ ป, ปหาหจรปริณิพายีนี่ประเภทนี้คือเป็นพระนาคามีที่ไปเกิดในสุดท้าวาดในภูมิใดภูมิหนึ่งไปสําเร็จเป็นพระอราหันในอายุครึ่งหลังคือหลังแหละท่ามกลางเลยท่ามกลางไปแล้ว แล้วได้บรรลุในสุดทาวาสภูมินั้นที่ตนเองไปเกิดอยู่นะได้บรรลุมีประเภทนั้นอีกประเภทหนึ่งคือปริณิพันธ์ในภูมินั้นส่วนอีกประเภทหนึ่งอสังขาระเสสอปริณิพายีเนี่ยก็ได้แก่พผ้านาคาที่ไปเกิดในสุททาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอันนี้สําเร็จเป็นพระอรหันในภูมินั้นโดยสะดวกสบายกลุ่มนี้เนี่ยอสังขาระเนี่ยนันแปลว่าไม่ต้องใช้สังขาร มากไม่ต้องใช้ความเพียรมากอ่ะไม่ต้องอุตสาหามากบรรลุเลยกลุ่มเหล่าเนี้แล้วก็ได้บรรลุในภูมินั้นเลยแล้วก็ดับขันทัปริณิพานในภูมินั้นเน่ยถ้ากลุ่มนี้ก็ดีนะบอกโอ้ไปอยู่โน้นไม่นานแล้วบรรลุเลยอย่าเงี้ยกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความเพียนมากไม่ต้องใช้วิริยนีสีมากเท่าไหร่ถ้ากลุ่มที่ 4, สี่สัสังคารักษปริณิพายีนี่โอ้โหกลุ่มเนี้นะไปอยู่ในสุทาวาสภูมินั่แหละภูมิใดภูมิหนึ่ง ได้สําเร็จเป็นพระรหารในภูมินั้นต้องใช้ความเพียรแรงกล้ามากแรงก็คุมเลยจริงๆเนะคือคือถ้าท่านจะเป็นพระรหารจะบรรลุเนะี่ยแรงมากกลุ่มเนี้นั่นนนันกลุ่มหนึ่งนีพระนาคาอาณ า, าคามีผลเนี่ยนะนะส่วนประเภทสุดท้ายอุทังโสตวัณณิถะคามีเนะี่ยได้แก่พระนาคาที่ไปเกิดในสุดทาวาดภูมิเบื้องต่ําไปที่อวิหาภูมิก่อนแล้วก็เกิดในสุดทาวาดภูมิ บอกไปอตาปาไปสุทัสสาไปสุทัสสีไปอกติฐานนู้ น, นไปบรรลุในอกติฐานไล่ลำดาภูมิแลย้ยพวกเย้า ย, ย, ยืนงยังเงยคือไปในภูมิแรกกันยังไม่ได้บรรลุมาอองไหมอุทางโสโตออคติฐาค า, ามีเนี่ยกลุ่มเหลนีอน้อ้าวต้องออกจากภูมิ น, นั้นจุตติจากภูมิ น, นั้นอย่างนี้เป็นต้นไปเกิดใน กามกามกามกามกามท่านธนาคาีก็จะไม่ลงมันไม่ลงมาในกามมาพรมแล้วเอจะมีการเกิดขึ้นอีกแค่ครั้งเดียวก็จะได้มรุในในในภพต่อไปนไม่มีตรงไหนบอกไม่มีบอกถ้าภายนาคาเนี่ยหมายถึงอีกชาติเดียวก็จะมรุไม่ไม่มีบอกถาพายโสดาก็อีกชาติพโดาบันชาติเดียวก็มี อ๋ออย่าไปเอาทั่วที่เอาตาหลักพระสงฆบยงเงี้ยก็อีกชาติก็ต้องแยกใช่ไหมจริงจริงที่พระอนาน า, น า, านีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบรรลุแต่คำพูดอย่างนั้นยังมีส่วนเหลือไหมล่ะจะ ม, ม, มีส่วนเหลือว่าพระอนาาในในประเภทสุดท้ายเนี่ยนนก็ต้องอีกอีกหลายพอีกหลายชาติถึงบรรลุเพราะว่าต้องไล่ไปตั้งแต่ชั้น่างสุดของสุธาวาสขึ้นไปเราเมื่อจุดติแล้วก็ไปเกิดในสุธาวาสชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ ก็ใช่ที่านัใจเหมกันแต่ก็ตราก็มีแค่อีกพเดียวทีชาติเดียวเขาจะรรลแต่ถ้ามีก็แต่ว่ามีอนาคามีที่ชาติคนนึงทไมจะไม่มีเรามีเลยไม่ใช่ไม่มีเลยห้าก็ยังมีเลยาอนาคนะนอ่ เข้าใจยางเวนี้เข้าใจวัตะนิดนิดขึ้นมาต่อไปดูอรหัตผลทีนี้เมื่ออรหัตมรดับลงอรหัตผลและจิตเรืออรหัตผลรยานก็บังเกิดขึ้นสองหรือสามขณะใช่ไหม ติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นทํานองเดียวกันกันกบอนาคามีมากเป็นต้นนั่นแหละทีนี้ด้วยการบังเกิดขึ้นของอาณาจักรพลยานพระริยบุคคลนั้นก็มีนามว่าเป็นพระรหารหรือเป็นพระขี่นาศพผู้มีร่างกายนี้เป็นวาระสุดท้ายเลยเป็นผู้ปงลงภาระลงได้แล้วเป็นผู้บรรลุถึงความต้องการของตนเองเป็นผู้หมดสิ้นสังโยชน์ในภพ เป็นผู้พ้นจากกองทุกข์ด้วยความรู้อันชอบแล้วเป็นทักษิในยาบุคคลอันสูงสุดเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วของมนุษย์โลกและเทวโลกทีนี้ผู้ที่จะบรรลุโลกรุตระภูมิชั้นสูงสุดได้จะต้องเป็นผู้บําเพ็ญวิปัสสนาสมถะพนันอนาคามีโลกรุตระภูมิมาแล้วและก็มีใจปรารถนาที่จะบรรลุอาริยมรรคอริลอันสูงสุด กลุมบุคคลเหล่านี้ก็อุตสาหะในการที่จะเจริญสมถาวิปัสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าได้เสมอกันเป็นอย่างดีใช่ไหมด้วยที่บรมิ๋งตนเองสั่งสมอบรมมาจนบริบูรณ์แล้วเนี่ยวิปัสสาญาชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเริ่มตั้งแต่สังขารุเปยขายานเริ่มตั้งแต่นั้นนะสังขารุเปยขายานเออเริ่มตั้งแต่อุทยาพญายานที่ อุทยาพยาญาณตามลําดับนะแล้วก็พยาญานาทีนวายานินพิทายานมุนจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายานสังขารุปเปกขายานอนุโลมายานมรคยานแล้วก็มรคยานแล้วต่อมาก็เป็นผลแลยานเกิดขึ้น น, นี่เป็นอย่างงี้นะที่จริงเป็นโวทานนะปริกรรมอุปจาระอนุโลมแล้วก็เป็นโวทาน พูดจะบรรลุสูงสุดได้นะั้นะนะนะสภาวะเกิดขึ้นตามลําดับสภาวะเหล่านี้จะปรากฏละเอียดชัดเจนในอนุโรมยานก็จะปรากฏขึ้นต่อตามมาด้วยโวทานและวาระที่สําคัญก็คือจตุธรรมะคืออรา a t ร a ค a k a y y a n ก็ ย, กยุบัติเกิดขึ้นประหารกิเลสที่ยังเหลืออยู่ในขันธสันดานนี้หมดสิ้นเชิงใช่ไหมต่อจากนั้นอร h a t h a p o l l ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาให้สําเร็จเป็นพคีนาศกอย่างนี้บริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้ว กิเลสธรีแม้แตน่น้อยนิดก็มีมีติดอยู่ในขันธสันดาห์ทีนี้ว่าผู้ที่เจริญมาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสต่างๆเนี่ยก็เรียบร้อยหายเกลี้ยงเลยกลุ่มกิเลส ท, ที่ยังลาไม่ได้มีอะไรบ้างอ่ยยกตัวอย่างเช่นโลภะที่ยังไม่หมดใช่ไหก็อรหธตมรคนี่แหละลาได้ที่เกี่ยวกับโรปราคะโรปราคะเนี่ยมานะเนี่ยมาน่า้ความถือตัวที่จัดว่าเป็นกิเลสนะน ความถือตัวไปตามความเป็นจริงเน่ยตรงเนี้ยผ่านาคายังล้าไม่ได้นะการถือตัวตามความเป็นจริงอ่ยตนเป็นชั้นสูงก็สําคัญตนว่าเป็นเป็นเป็นชั้นกลางตนเป็นชั้นสูงก็สําคัญว่าเป็นชั้นต่ําตนเป็นผู้ชั้นกลางสําคัญตนว่าสูงตนเป็นชั้นกลางก็สําคัญว่าต่ําตนเป็นชั้นต่ําก็สําคัญว่าสูงตนชั้นต่ําก็สําคัญว่าเป็นชั้นกลางเนี่ย พระโสดาบัลลาได้เด็ดขาดประเภทนี้ใช่ไหมเพราะหยาบส่วนความถือตนเองได้แก่ตนเป็นชั้นสูงก็ถือตนเองเป็นชั้นสูงตนเป็นชั้นกลางก็ถือตนว่าเป็นชั้นกลางตนเป็นชั้นต่ําก็ถือว่าตนเองเป็นชั้นต่ํานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยยาถาวะมานะมานะทั้งสามประเภทเนี่ยแม้แต่พระสกาทาคามีพระอนาคามีก็ยังไม่สามารถประหารได้เด็ดขาด นี่ถือตามความเป็นปจริงนะสูงก็สําคัญว่าสูงชั้นกลางก็สําคัญว่าเป็นชั้นกลางตนเองเป็นชั้นต่ําก็สําคัญว่ายังต่ําคือสําคัญถูกนั่นแหละรู้ตัวว่าต่ำก็ยังไม่ได้ก็ยังถือตัวว่ามีต ว, ตว ม, นะมองออกแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยว่าจริงๆอมานะประเภทเนี้ยพระอนาคายังละไม่ได้ต้องอะไรต้องอรหัตมรรมจริงจะสามารถที่ละได้ไ น, นี่เป็นอย่างนี้ ทีนี้ส่วนสภาพอุทธจักกิเลสเนี่ยสภาพกิเลสที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะหรือสภาพที่ไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานๆเนี่ยนะอุทจักเป็นอกุศลชาติที่เป็นเครื่องปิดกั้นความดีไม่ให้เกิดขึ้นนั้นพระรารันเท่านั้นจึงจะสามารถละได้เด็ดขาดอุทจักเนี่ยนะแต่อุทธจักเกิดกับเรากับอุทจักเกิดกับพระโสดาสกัตานะคะก็ละเรื่องก็ละเรื่องถีนะ กิเลสกิเลสที่ทําให้จิตถดถอยเนี่ยกิเลสนี้ย่อมมีอยู่ประจําในขันธสันดานของปุถุชนและพระเศคารนะทีน้ากิเลสเนี่ยเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถประหารกิเลสเป็นสมุทเฉทาป ร, ปรานได้กิเลสือเป็นถีน้าเนี่ยทีนี้ปัญหาคือว่าทําไมพระอรหันต์จริงต้องพักผ่อนไม่ใช่ด้วยอํานาจของถีนักกิเลส ที่แท้เป็นเพราะร่างกายท่านปฏิบัติหน้าที่ระยะหนึ่งย่อมมีความอ่อนเพลียเมื่อยล้าคือหมดกำลังลง น, นั่นเองคือจิตก็หมดกำลังลงเฉยๆก็ลงตกเลยตกพวังไป ม, ออไมั่งจมไ้มว่าจิตที่คุ้นคิดตรึกอยู่ในงานในการอะไรมากๆนะ่ะจิตก็ล้าด้วยร่างกายก็ล้าด้วยก็เลยต้องตกพวังไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทีหนะ้าอย่างกลุ่มคนมีกิเลสทั้งหลาย ต่างจากพวกคนมีกิเลส ท, ที่ยังล้าไม่ได้นะอกรมเหล่านี้ก็คือยังยังนั่นอยู่นี่เป็นงนี้ธรรมดาเนี่ยอุปาทินอากาศสังขาเนี่ยจะต้องมีการพักผ่อนไหมสังขารที่มีใจคลองเนี่ยสรุปว่าถีนกิเลสย่อมเกิดได้เฉพาะปุรุชนและเศรษับบุคคลนะ่นนะอารมณ์เดิมอะก็ของเดิมนั่นแหละนั่นแหละ เห็นไหมว่าการทํางานการทําให้จิตเขาลา้าล้ามากๆหรือตรึกในการงานตรึกในแรงต่างมากๆที่สุดจริงๆ จ, จ, จ, จิตล้ากายล้าไงกายล้าจิตล้าด้วยก็เลยตกผวังไปการการหลับของข้ารานี้ก็ลงผวางอย่างเดีย ว, ว ม, มีการขึ้นสู่ทีทไม่มีไม่มีไม่มีใช่ใช่แต่ยังแล้วนี่สารพัดจริงคนที่มีอารมณ์ฟุ่งซ่านเยเหมือน ภิกษุณีท่านหนึ่งบอกเข้าไปเจ้าบวชมา25ปีไม่มีเลยวันใดวันหนึ่งที่ไม่ตรึกในกามคุณตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุนะเนีคือไม่มีเลยนะที่จะไม่คิดเรื่องกามอ่ะเราพวกเราเนี่ยมีแต่ว่าท่านไม่ไกามุส า, าท่านถูกต้องมาก่อโอ้โหกลุ่มเหล่านี้ไม่มีทางจะกล่าวมุสาวะคือจิตท่านอยากออกตลอดเวลาอีกกรุอี ก, อ, กอีกท่านหนึ่งไม่ใช่งั้นนะเพียนขนาดไหนรู้ไหม นึกในใจโอ้โหเพียนพยายามอย่างมากพิกษุนีท่านนึงนะไปไปมามาบอกเอ๊ะเรานี่จิตมันจะคล้อยเข้าหากามคล้อยเข้าหากามผูกเชือกกระต้นไม้ทำเป็นบ่วงเอาคอสวมมือถ้าจะตายให้ตายในเพศนี้จะไม่กลับไปตายในเพศที่ต่ำสามเด็ดขาดพอครองเข้าพระเจ้าถึงบ่วงอาสวะกิเลสก็ได้หลุดจากกระแสจิตในขณะนั้นเพี้ยนขนาดนั้นพวกนี้ปฏิบัติร้องไห้นะ เพียรพยายามปั่นนั้นเนี่ยนะขนาดนั้นเนี่ยคืออยากตรึกตึกไปแต่เลิกตรึกไม่อไรน้อมใจะคิดในทางด้านตรึกในทางด้านกุศลทันทีตรึกออกจากกามทันทีทีนี้กลุ่มที่ตัณหาก็มากปัญญาก็มากอย่างนี้ก็พอสูสีใช่ไหมถ้าตัณหามากปัญญาน้อยกลุ่มนี้ร้องไห้เลยปฏิบัติปฏิบัติปไปปฏิบัติมานแพ้กิเลสยงมรีอยู่กลุ่มไหนโอ้โหถ้ากลุ่มนี้เหนื่อยปฏิบัติทนทุกข์ไป ทรมานไปถ้ารู้เปอย่างนี้ะกลุ่มนี้จะลำบากโอ้โหถ้าปัญหามันก็แรงใช่ไหมความตรึกในการมาคุ้นก็มากทีนี้ปัญญากันมาน้อยซะอีกวกนีต้ต้องเพียนเพียนให้มากะ่ะกลุ่มนี้เพียนอุตสาหะต้องประมาณยิ่งอะ อหิริกากิเลสสภาพที่ไม่ละอายต่ออกุศลทุลตจลิกิเลสชนิดนี้ก็ที่เป็นทีรังเกียจของบัณฑิตในอัถสาลีนีกล่าวว่าก้อนเหล็กที่แปดเปื้อนไปด้วยอุจจาระคนที่ฉลาดย่อมไม่ปรารถนาจะแตะต้องเพราะรังเกียจน ะ, สสะเสียดเสียเย็นนะเนี่ยอกุศลและทุจริตก็เช่นเดียวกันนะท่านมองเห็นว่าเป็นเหมือนอะไรเหมือนเหล็กที่เปื้อนด้วยอุจจาระไม่อยากจะไปแตะต้องฉั้นใดว่าะ คือไม่ปรารถนาจะทําอกุศลกรรมเพราะมีใจอย่างลงสู่ลัชีธรรมก็ว่ลัชีธรรมก็อุย้ยละอายมากละอายมากถ้าใจมันจะน้อมไปหาบาปนี่ละอายมากคือความละอายแก่ใจในการที่จะแตะต้องอกุศลทุจ ร, ริตเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกคนที่มีหิริถ้าหากกิเลสเนี่ยมันจะมีมีไม่ไมีไม่ละอายในสูงจะงูจะน้อมไปทําบาปอยู่เรื่อยเป็นบ่อยไหมทีนี้ ถ้าถามว่าตัวเนี้ยเอ๊ะถ้าหาพระอรหันต์นั้นเป็นผู้สามารถละอิริกากิเลสได้หมดใช่ไหมถ้าเช่นนั้นพระเสกขะทั้งหลายยังยินดีในความประพฤติประพฤติอกุศลทุจริตอยู่อีกหรือเปล่าเขาบอกอบ ไ, อไม่ได้ยินดีในอกุศลทุจริตเหมือนปุถุชนนะทีนี้ด้วยอํานาจอริมักที่ท่านประหารกิเลสได้แล้วใช่ไหมพระโสดาบันสกธ า, าเป็นต้นน่ยนาคาเป็นต้นเนี่ยท่านก็ประหาร ฐานกิเลสได้ตามลำดับพระสสดาบันก็กิเลสที่นำไปสุราบายท่านก็ประหารได้อปายคามินีเนี่ส่วนผ้าสกาทาคามีอหิริกะที่เป็นโอลาลิกะท่านละได้ส่วนผ้านาคาแหละกามราคะเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ละได้ผ้าละหัน์เนี่ยประหารได้อย่างเด็ดขาดกลุ่มอนโนตตะปะอนโนตตะปะไม่เกรงกลัวต่อบาปนี่ก็เหมือนก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาลุกชนตลอดเวลา คนฉลาดก็ไม่ปรากธนาถูกต้องกับก้อนเหล็กที่มันลูกโชนนะนะลักษณะอย่างนั้นในในในอัตสาหร่นีถ้าจะยกมาดีส่วนโมหกิเลสมีสภาพที่มืดมนปิดบังปัญญานะไม่เห็นอริยสัจทีนี้กลุ่มของอริยมรรทั้งสามนั้นน่สามารถประหารได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นอริยมรรั้รสามทั้งต้นนั่นในจุลเอกเขาว่าไงเป็นวิ ช, ชูประมธรรม ทำที่เปรียบเหมือนฟ้าแลบใช่ไหมใช่ในจระเอกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นส่วนอาหารตะมัศขยานถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโมหกิเลสก็ถูกประหารเป็นสมุทเฉทประหารอุปมาเหมือน ฟ, ฟ, ฟ้าที่ฟ้าที่ฟาดลงมาเลยนะีแรงยิ่งนักหรือฟ้าผ่าเ น, นี่นยถูกอะไรก็ก ร, กระจายกระจายอุปมานี้ฉันใดอาหารตะมัศ ก, ก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ในกลุ่มของพระอรหันเนี่ยนะ ท่านแยกไว้เป็นสองประเภทตอนนี้ตอนนี้เริ่มเข้าฌานนะพระขีนาศพสองประเภทก็คือว่าเจโตวิมุตติพระอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์ผู้บาเพ็ญสมถะภาวนาได้ฌานมาก่อนแล้วภายหลังบาเพ็ญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ก็ดีหรือท่านผู้บาเพ็ญเฉพาะวิปัสสนาเมื่อบรรู้เป็นพระอรหันต์บัเกิดฌานก็อุบัติเกิดขึ้นแท้จริงก็คือทั้งสมถะเลยวิปัสสนาในแหละนะถ้าว่ากันตามลําดับ แต่หมายถึงฌานระดับสูงด้วยอำนาจแห่งปุบพาธิการเหล่านี้เป็นพระลหันชาลาภีบุคคลคือสำเร็จฌานสมาบัติได้บรรลุวิชาพิญญามีคุณวิเศษในในการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนั้นกลุ่มหนึ่งก็คือก็หมายรวมเอาว่าผู้ที่ได้ฌานมาแล้วหรือผู้ที่ไม่ได้ฌานเมื่อสำเร็จก็ถือเป็นานมุขีพนาคืออย่างนี้ คือหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยประเภทนี้นะบําเพ็ญสมถะมาก่อนภายหลังก็ บ, บําเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุหรือท่านผู้บําเพ็ญเดินสายวิปัสสนามาไม่ได้ระดับฌานทีนี้เมือม่ออาหาธรรมมากบังเกิดขึ้นนะฌานมันอุบัติเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นพวกไหนเป็นพวกที่บา ร, รมีเก่าดีบา ร, รมีเก่ามาดีาที่ได้เนี่ยก็คือโลกุตตระฌานใช่ ไม่ใช่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนทีนี่ฟังไม่จบแล้วเนมันเข้าไปนี่ต้องตึกให้ดีฟังยังไม่จบจไม่ต่อ <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งปุพพาธิการเหล่านี้เป็นพระหันชานลาพีบุคคลเพราะอะไรล่ะชาญก็อุบัติเกิดขึ้นในขณนะเดียวกันนั่นเองนี่เป็นภาษาเป็นสำนวนเน่ย นี่สำเร็จฌานสมาบัติบรรลุวิชา3อภินยาลองดูทีนึงอันนี้ก็จะเข้าที่ว่ามารัคคิสชาน ร, <ช>รู้ป่ะใช่มี <ใน S 1> คุณ<น>พิเศษในการแสดงอิทธิฤทธิต์ต่างๆได้นี่กลุ่มนี้คือกลุ่มไม่ต้องเจริญแต่ได้อน า, านาจบุญเก่ามาดีอย่างยกตัวยอย่างอย่างนี้กลุ่มหาความว่าท่านที่บรรลุเนี่ยเคยได้เจอฌานมาก่อนแล้วใน <I did. S 2> ในอดีต <I did. S 2> ในอดีต มาฟังทำตอนนั้นแล้วได้บรรลุตอนนั้นแล้วฌานเกิดด้วยอภิญญาเกิดด้วยฌานที่เคยได้ทำไปแล้วแต่เน่ดีใช่มาสนับสนุนส่วนกลุ่มปัญญาวิมุตติพระอรหันต์ได้แก่ท่านที่บําเพนิวิปัสนาเนี่ยนิสัวิปัสนาไม่ได้เดินไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของได้ฌานมาเมื่อเป็นพระอรหันต์ปุบัติเกิดขึ้นฌานไม่มีเกิดขึ้นร่วมกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้โล ก, กิยะฌานนะ ไม่ได้เกิดขึ้นร่วมไม่เคยเดินสายทางโลคิยาซังมาก่อนเนีนี่สายวิปัสนาล้วนๆเนี่ยลักษณะเไม่ได้ทานเป็นสุขาวิบัสบสตกคือผู้ที่แจ้งในไม่สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้พระท่านแยกเป็นสองประเภทนะให้เข้าใจอย่างนั้น<อ>ทีนี้ต่อไปเกี่ยวในเรื่องของในเรื่องของสมาบัตินะ เ, เดี๋ยวเข้าสมาบัติโดยเฉพาะผลสมาบัติเนี่ย สมาบัติมันมีอยู่สามใช่ไหมฌานสมาบัติพระสมาบัติและก็นิโรธสมาบัติที่กําลังจะกล่าวถึงกันก็คือปัญหาว่าผลสมาบัตินี่คืออะไรใช่ัหมอปปนาในนิโรธแห่งอริยผลขณะที่เข้าผลสมาบัติอยู่นั้นจิตใจของพระเริยบคนนั้นน่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ไม่มีสังขารไม่มีสังขารเป็นอารมณนะ์เนี่ยไม่มีสังขาร น, นิมิตเป็นอารมณ์อะไรคือสังขาร น, นิมิต รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เขาเรียกสังขารนิมิตเพราะสังขารในที่นั้นเป็นชื่อของขันห้าเมื่ออยู่ในขณนะนั้นน่ะถามว่าเข้าผลสมาบัติเข้าพระสมาบัติมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานอย่างเดียวผลสมาบัติของปุถุชนไม่มีคือปุถุชนไม่สามารถจะเข้าพระสมาบัติได้เพราะปุถุชนไม่เคยอะไร ไม่เคยมีอารมณ์ของพระนิพพานมาก่อนไม่เคยเห็นพระนิพพานมาก่อนส่วนอริยบุคคลทั้งหมดเข้าผลสมาบัติได้เพราะเคยมีอารมณ์เป็นนิพพานมาแล้วและจะเข้าได้เฉพาะผลของตนใช่ไห ม, ชไหมเช่นโสดาบันบุคคลเข้าแต่โสดาปฏิผลสมาบัติเท่านั้นนี่พานุทัศาจารย์จึงกล่าวคําว่าสัพเพสัมปิยะถาสกังพภะละเนสนสทารนาวะผลสมาบัติของอริยบุคคลทั้งหมดย่อมเป็นธรรมสาธารณะ ด้วยอำนาจผลตามที่ตนบรรลุคือสาธารณะเหมาะแก่ตนเองที่บรรลุเท่านั้นหนึ่งในข้อนี้เกติอาจารย์ท่านใช้คำว่าอาจารย์ของท่านได้กล่าวว่าการเข้าพระสมาบัติจะต้องได้อนาคามีและเป็นพระรหรันต์เพราะอริยบุคคลสองประเภทนี้มีสมาธิสิกขาเต็มเปี่ยมคือชาญดีสมาธิดีสมถะมาในกลุ่มตรงนี้หละที่ก็มองมองประเด็นไปในด้านของว่า เนี่ยต้องได้ฌานในในกลุ่มนี้นี่เป็นของคายบอกเกจิอาจารย์มติของเกจิอาจารย์ทีนี้ภารยะบุคคลสองประเภทนี้สมาธิสิกขาโสดาสกาธาสมาธิสิกขาไม่บริบูรณ์ท่านจึงบอกว่าโซดาบันกับพระสกาธาคามีไม่สามารถเข้าพระสมาบัตได้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะในคัมภีร์วิสุทธิมารวินิจฉัยว่าเดีเนี้นี่ไปดูในคัมภีร์วิสุทธิมารโดยพุทธโฆษาจารย์นะี่ยนะ แม้ในปุถุชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติของตนคือโลกิยะฌานเนี่ยปุถุชนนะถ้าตนเองได้โลกิยะฌานก็สามารถเข้าฌานสมาบัติของตนได้ฉะนั้นอาเรียบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของตนคือผลและสมาบัติเหตุใดจะเข้าไม่ได้ย่อมเข้าได้แน่นอนนี่คือนี่คือ ในวิสุทธิมรรคทีนี้เราจะเอาอยัางไงเออตรงเนี้พอพิจารณาตรงนี้อันไหนเหตุผลชัดถ้าตามถ้าตามคำพีวิสุทธิมรรคเออเหตุผลในกลุ่มเอาเขาเป็นเจ้าของอะ่ะก็ขนาดถ้าอย่า ง, ง น, านั้นนิกท่านท่านยังยกตัวอย่างว่าแล้วปุถุชนที่ได้ฌานทําไมเข้าฌานตนเองได้เหรอใช่ไหมก็ว่าตนเองได้โลกิยาฌานโลกิยะสมบัติก็ยังเข้าสมบัติสเสวยสมบัตินั้นตนเองได้ แล้วได้โลกุตละผลเนี่ยก็เป็นสมบัติของเขาของท่านเหล่านั้นทำไมท่านเหล่านั้นจึงเข้าไม่ได้แต่อีกมติหนึ่งบอกว่าสมาธิยังไม่แก่เพราะว่าสมาธิศิกขายังไม่บริบูรณ์เหมือนพระนาคาและพระลรหันฉะนั้นการจะเข้าพระสมาบัติต้องสมถะเป็นอย่างดีนะียสมาธิเป็นอย่างดี อันนี้เกจิเกจิเกจิเกจิเกจิอาจารย์ต่อไปเกี่ยวในเรื่องของอ น, นิสงฆ์ของพระสมมาบัตสักเล็กน้อยก่อนนะเนีนายวิสุทธิมรรคท่านยกอุปมาบอกว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีหรือพรหมก็ดีทราบสมบัติของตนของตนนั้นถ้าต้องการที่จะเสวยผลเวลาใด ก็ได้ฉันใดพระเรียบบุคคลทั้งหลายย่อมถือการเข้าพระสมาบัติว่าความสุขคล้ายๆกับนิพพานชั่วคราวในชีวิตนี้แต่มีกำหนดประมาณเท่ากำลังของพระสมาบัติอยู่ซึ่งซึ่งนิพพานนั้นเป็นอารมณ์เนบอกว่าถามว่าผลผลชาวนาหลายๆขนาดเนี่ยบังเกิดขึ้นได้ เ, เปรียบสเสมือนอะไรท่านอุปมาเหมือนกระแสน้ำไหลฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าผลสมมาบัติ ก็คือว่าผลสมาบัติที่มันเกิดนี่นะไม่ใช่เกิดหนึ่งขณะหรือสองสามขณะเท่านั้นมันเกิดอย่างก ร, กระแสน้ำที่ไหลตกจากหน้าผาหรือไหลลงมาจากอน้ำตกมันไหลไม่ขาดระยะฉันใดก่อนตรงนั้นนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเป็นพระสมาบัติคือการเข้าผลสมาบัติทีนี้ในผลสมาบัติเนี่ยมีสี่ใช่ไหมโซดาปฏิผ ล, ลวิถี สกาทาคามีผ ล, ลวิถีอนาคามีผ ล, ลวิถีอรหัตผ ล, ลวิถีแต่ละประเภทก็แบ่งออกเป็นห้าใช่ไหมปฐมฌานโสดาปฏิผลวิถีทุติยฌานโสดาปฏิผลวิถีตติยฌานโสดาปฏิผลวิถีจตุติฌานโสดาปฏิผลวิถีปัญจมฌานโสดาปฏิผลวิถีผลทั้งสเนี่ยคูณด้วยอะไรคูณด้วยฌานหเป็นยี่ิบใช่มในยี่สิบนั้นก็เป็นติขาบุคคลคูณด้วยติขาดบุคคลแล้วก็มรนธาบุคคล แล้วก็คูณด้วยอะไรอะ่ะทันทันทะทันทันทะปัญญากับทันทาพิญญามันทะปัญญากับทันทาพิญญานี่นยแหละก็ได้สี่สิบก็ตั้งสี่สิบแล้วก็เอาอะไร อ, อะไรคูณดี ค, ณคือคื อ, ค, อคือจริงๆญญตรงนั้นเขามีแล้วไงแต่จริงๆในที่นี้นะอีกอีกในในเล่มเนี้ยเขาบอกว่าปาธกาชานสมมต สมมสิทย์ชาญแล้วก็ปุคลัดชาสายชาญอัธยาศัยของบุคคลที่แล้วก็สมมติสมมสิทย์ชาญแล้วก็พิสิทธิที่ใดชาญนะพวกกลุ่มปาทกรชาญเออเอาชาญพวกนี้ไปคูณเลยได้ร้อยี่ทีนี้ในการมัสุคติภูมิและในรูปประภูมิรูปภูมิเกิดได้ทั้งหมดนะเว้นสุทธาวาสภูมิพระโสดาบันนะโสดาปิพนสกาธาคามีผลจะเกิดไม่ได้นั่นก็ไปแยกแยกกันอีกที